เก็บตกเช้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนลายให้กลายเป็นดีธรรมะที่ผู้พูดนำมาแสดงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้สอนพวกโยมนะผู้พูดสอนตัวเองเพราะถ้าเราโม่สอนคนอื่นเนี่ยไม่สอนตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ก้าวหน้าแต่ผู้ผู้ฟังเนี่ยถ้าฟังก็อาจจะเกิดประโยชน์ด้วยเพราะอานมาก็หาสาระเอามาพูดนํามาเสนอระงครั้งพูดเรื่องกิเลสก็ไม่มีเจตนาว่าร้ายใครถ้าใครมีกิเลสแบบที่ผู้พูดพูดเนี่ย ก็ขอให้พิจารณาแล้วก็หาทางลดละซะจะได้เป็นประโยชน์กับตนเองและคนอื่นสมัยพุทธกาลเนี่ยครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จไปเมืองเนลันชาลาพร้อมกับคณะสาวกพรามณ์คนหนึ่งชื่อว่าเวลันชะก็มาสนนาธรรมกับพระพุทธองค์แหะหลังจาก ปาาัสกันจบพระพุทธองค์ก็นั่งสงบไม่ได้ลุกต้อนรับแต่อย่างใดทำให้เวลัญช้าพามนไม่พอใจโกรธเพราะมองว่าพระพุทธองค์เนี่ยอายุน้อยกว่าหรือเด็กกว่าคือพาเป็นผู้เท่าแล้วเสือไม่ทำตามธรรมเนียมพอโกรธก็เลยพูดทํานองแบบเหน็บแนมพามเวลัญช้าได้เอ่ยขึ้นว่าพระสมณะโคดม เป็นผู้ไล้รสชาติพระพุทธองค์ก็เอ่ยขึ้นว่าถูกของพามรสชาติทางโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมต่างๆเนี่ยเราจะถาคตละได้แล้วเราจึงเป็นคนที่ไล้รสชาติพามก็เอ่ยต่อว่าต่อว่าต่อไปพระสมณะโคลมเป็นคนไล้สมบัติถูกของพาม สมบัติทางโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆความยินดีทางโลกเราตถาคตได้ละหมดสิ้นแล้วเราจึงีคนไร้สมบัติพระสัมมาโคดมเป็นผู้สอนไม่ให้กระทำถูกของพรามณ์เราสอนไม่ให้กระทำกาย ทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตและสอนไม่ให้ทําบาปขุนต่างๆพระสมนาโคดมเป็นผู้กล่าวความขาดศูนย์ก็ถูกของพรามณ์เราเกล่าวความขาดศูนย์ก็คือขาดจากละคะโทสะและโมหะและบาปอากุศลต่างๆ พระสมณโคดมเป็นผู้มักเกียรติก็ถูกของพราม์เราลังเกียรความชั่วต่างๆเมื่อจะเป็นความชั่วทา ง, าทางกายทางวาจาทางใจพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดก็ถูกของพราหมณ์ เรากำจัดกิเลสได้แล้วเราก็แสดงทําให้ผู้อื่นกำจัดกิเลสด้วยพระสมณโคโดมเป็นผู้เผาผลาญก็ถูกของพราม์เราได้เผาผลาญกิเลสต่างๆทั้งบาปอุสุตต่างๆพระสมณโคโดมเป็นผู้ไม่ผุดไม่เกิดก็ถูกของพราม์กิเลสที่ทําให้เกิดเนี่ยตถาคต ได้ร้าจนหมดสิ้นแล้วการเกิดอีกยิงไม่มีอันนี้จึงถูกของพรามณ์พระพุทธองค์เนี่ยแปรสารของพรามณ์จากว่าร้ายกลายเป็นดีทุกข้อเลยแล้วพระพุทธองค์ก็เอ่ยถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะทะลุเปลือกไข่เกีววิชาฉะนั้นพระพุทธองค์เนี่ยจึงเป็นพี่ใหญ่ของมนุษย์เลยที่หลุดพ้น แล้วก็พูดอะไรต่างๆให้เวรัญชาพามเข้าใจจนพารามเนี่ยจากตอนแรกไม่พอใจจนยอมรับความเป็นจริงแล้วก็หันมานับถือผู้ศาสนาตลอดชีวิตอันนี้คือปัญญาของพระุทองค์นะที่ว่าเปลี่ยนร่าให้กลายเป็นดีเปลี่ยนคำต่อว่าดาทอให้เป็นดอกไม้ก็มีอีกเรื่องหนึ่ง พามี อ, มอยู่คนหนึ่งโกรธพระุธองค์มากที่เป็นเหตุให้พี่ชายและน้องชายไปบวชจึงเดินทางมาต่อว่าพระุธองค์ถึงที่ประทับเลยพูดจาคําหยาบต่างๆส า, า, า, าเสียเทเสียก็ไม่รู้วด่าอะไรนะแต่ว่าคือคําหยาบอะพระพุทธองค์ก็นิ่งสงบ ป, ปล่อยให้พามเนี่ยด่าจนเหนื่อยพระุทธองค์ก็เอ่ยถามพิดว่าพาม ท่านเนี่ยมีแขกไปใครมาไหมพามก็เอย ว, ว่ามีสิไม่ใช่คนสิ้นไม้ไายตอกก็มีแขกไปมาหาสู่เสมอเวลาที่แขกมาเนี่ยท่านทํำยังไงพามก็ตอบว่าเอาอาหารเอามาต้อนรับและถ้าแขกไม่รับประทานอาหารที่พามมาให้อะ่ะจะทําไงโอของนั้นก็ตกเป็นของเราเหมือนเดิม พระองค์ก็เอ่ยขึ้ว่าก็เช่นกันเมื่อคู่พามได้ดา่าเราด้วยถ้อยคําที่หยาบคายเราไม่รับคําด่านั้นคําด่านั้นก็ตกไปที่าพามเหมือนเดิมคําพูดของพระองค์เนี่ยาพามสะดุ้งเลยเพราะเมื่อกี้คําพูดดา่าพระองค์ด้วยคําที่รุนแรงเมื่อพิจารณาตามเนี่ย คำด่านั้นกลับมาตกไปที่สู่ตัวเองก็เลยสำนึกผิดพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมต่อแนละ้วว่าคนที่โกรธผู้ดา่ดาเนี่ยเร็วกว่าคนดา่าการไม่การอดทนต่อคนด่าเนี่ยเป็นการช้าสงครามที่ชนะได้ยากและถ้าขนาดถูกด่าเนี่ยเรามีสติมีความสงบก็ชื่อว่า เอื้อเฟื้อทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ เ, เลาะเบาแววงกันาพามได้ยินดังนั้นหลังจากสำลึกผิดเนี่ยก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาต่อชีวิตตอนท้ายก็ได้บวช ด, ด้วยอันนี้ก็กลับตัวกลับใจเปลี่ยนอย่างนิสัยขี้โมโหขี้โกรธกลายเป็นคนที่สบงบสง่อมเป็นคนดีแต่ถ้าไม่เจอพระองค์เนี่ย นิสัยนี้ก็คงไม่เปลี่ยนพวกพราหมณ์สมัยก่อนเนี่ยจะมีการสอนให้บูชายันฆ่าสัตว์บูชาไฟบูชาเทพเจ้าต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับน้ำศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าของพราหมณ์ก็มีหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นพันอะอลายพัะศีวะพระพรหมและอื่นๆอีกมากมาย แต่คันพระพุทธองค์บรรลุธรรมเนี่ยก็นําคําสอนที่ถูกต้องคือรู้จริงรู้แจ้งเนี่ยมาสอนแก่คนอินเดียสมัยนั้นนอะหักล้างกับความเชื่อของพรามณ์ทั้งหมดเลยพรามณ์ที่มีปัญญาก็ส่วนใหญ่ธรรมะก็บรรลุธรรมมากมายแต่ที่ไม่เป็ญ ย, ยาก็จะโกรธเกลียดพรพุทธองค์ที่มาหักล้างคําสอนลัทธิต่างๆใส่พุทธการก็เหมือนกัน ที่สอนไม่โตกับพุทธานาเนี่ยก็จะเกลียดพระพุทธองค์แต่ตอนหลังถ้าคนมีปัญญาก็จะกลับตัวกลับใจหันมานับถือพุทธศาสนาและทําตามทําให้มีดวงตาเห็นธรรมมากมายสบายนั้นนะความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันก็ต้องอาศัยอาหารเหมือนกันนะถ้าเราให้อาหารความโกรธบ่อยๆความโกรธก็ตัวโตวขึ้นโตขึ้นมีกําลังมากขึ้น อย่างมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึง่งที่วังแห่งหนึ่งเนี่ยมีปีศาจอยู่ตนหนึง่งปีศาจตวนี้ก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกน่าเกียดน่าขยะกขยงและตัวเหม็นมากบุกเข้ามาในวังเนี่ยพวกทหารก็หลบเป็นแถวเลยรังเกียจปีศาจปีศาจบุกไปถึงวงัวงชั้นในอะ่ะไปถึงที่ที่ประทับของพระราชาก็ขึ้นไปนั่งบนที่นั่งนั้นเฉยเลยพวกทหาร ก็ถืออาวุธเข้ามาแหละถือดาบถือหอกแล้วรรมดาด่าปีศาจให้ออกไปไปให้พน้นด้วยคําหยาบต่างๆปีศาจ ต, ตัวนี้ไม่ธรรมดานะพอพวกทหารสแสดงเกี้ยวกาดหรือโกด์เนี่ยปีศาจจะตัวใหญ่ขึ้นเทียนนิวเทียนิว้วจนจากตัวตอนแรกตัวเล็กอ่ะใหญ่จนแบบใหญ่กว่าคนหลายเท่าเลยพอใหญ่ขึ้นตัวก็เหม็นมากขึ้นแล้วปีศาจก็พูดจาคําหยาบคายตลอดเวลายิ่งดา่ายิ่งตัวใหญ่ จนในทิสุดยพระราชาก็เสด็จกลับมาถือวางตัวเองก็เห็นปีศาจเนะี่ยนั่งอยู่ที่บันลังเนี่ยพระราชาสังเกตได้ปีศาจเวลาถูกถูกด่าเขาตัวใหญ่ขึ้นเพราะองค์เป็นคนมีปัญญานะจึงรู้เลยต้องทำไงจึงเอ่ยปากบอกปีศาจไปว่าเรายินดีต้อนรับท่านนั่งตากสบายเลยเดี๋ยวเราจะจัดอาหารอะไรมาต้อนรับ พอพูดเท่านี้ปีศาจก็ลดลงอีกทีละสองนิ้วพวกทหารสังเกตเห็นเช่นนั้นน่ก็เลยเก็บอาวุธทุกชนิดแหละแล้วลหันมาพูดกับปีศาจดีๆชมปีศาจบ้างจะไปหากาแฟหาน้ำชาหาผลไม้มาให้ปีศาจบ้างก็เขามาบีบรวดปีศาจ าการกระทำเราเนี่ยพิษะก็ค่อยจากตอนแรกเดี๋ยตัวใหญ่แล้วเหม็นคามเหม็นก็ค่อยน้อยลงตัวเล็กลงตัวเล็กลงจนในที่สุดเนี่ยพิษะหายไปเล ย, ยตัวไปล่องไล่เรื่องนี้เปน็นนามธรรมแต่ถ้าเรามองเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะผู้พูเดเจอเจอกับตัวเองมาตลอดความโกรธอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเนี่ยถ้าเราทําตามมันนะ อัตราตัวตวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทําตามมันอัตราตัวตนเราก็จะเล็กลงเล็กลงฟัลมโกดเนี่ยมันอยู่ขั่วตรงข้ามกับควาเมเบตาอย่างถ้าเราช่วยสัตว์สมมตุติอ่าเราเจอมดตกในโถส้วมเนี่ยเราเอามดขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยฟาเมตาก็ได้อาหารอีครั้งช่วยสัตว์อื่นๆที่เราช่วยได้อะ่ะ อย่างเห็นตุ๊กแกกาลังจะถูกกุกกินแล้วเราไปไล่หรือช่วยกิ้งคือที่กำลังจะโดนพวกมดกินหรืออะไรต่างเนี้ยบางทีเราเห็นแล้วก็ต้องช่วยไม่เห็นก็แล้วไปอาจจะเบียดเบีย น, ยนให้สัตว์อดอาหารอันที่ประวามเมตตาชั่วหน้าถ้าเราทําบ่อยๆความเมตตาของเราก็มีกําลังตรงข่าความโกรธความโกรธเนี่ยสมมติเราเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นขี้ําคาญขี้ขุ่ขนหงิดนะ เจอยุงมาเก่าก็ตบพัวเลยพอตบหลายๆตัวเจอมดก็ บ, บี้ทำบ่อยๆเนี่ยความโกรธมิตกาลังมากขึ้นมากขึ้นพอมีกําลังมากขึ้นจิตเราก็หยาบช้าจิตเราก็หยาบแข็งกระด้างอัตราตั ว, ต, วตัวเราก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกายอยากกายคนที่จะรักเรากลายเป็นคนกลัวเรามากกว่าพอคนกลัวเราเนี่ยเกลียดกลัวเราเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขแล้วต่างกับคนที่คนรักไปที่ไหนคนก็อยากเขาใกล้มีความสุขอยู่ใกล้แล้วปลอดภัย เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะฟามโกดก็สอนทําเราได้สิ่งร้ายๆต่างๆเนี่ยบางทีก็สอนทําเราเหมือนกันอย่างตัวผู้พูดเองเนี่ยก็เคยเจอสิ่งร้ายๆมามากมายเลยมะว่าจะเป็นอุบัติเหตุเลือตกยางออกหรือเคยเจอแก๊งคอย เ, เ, เตอร์โกงช่วงที่มาโดนคอยเตอร์โกงนะช่วงนั้นนะ่ะเป็นช่วงสอบอารมณ์มากเลยเพราะว่าเราจะโกรธโกรธมันไหมมันพูดจายามเราด้วยนะโกงไม่เสร็จอะแถม พกแกลคอย เ, เ, เตอร์จะไม่รู้จักบาป บ, บุญคุณโทษหรอกในสิ่งที่ตัวเองทอําอ่ะหรือคนที่ใจบาปมากไม่สงสารคนอื่นที่มันโกงอ่ะมาได้พราะมาต้องการช่วยคนไม่ได้ถูกโกงเพราะตัวเองโลภนะหรือหรือกลัวต้องการมันเรียนเสียงปอเป็นเสียงคนที่เรารู้จักนะแล้วเขาเดือดร้อนขอยืมเงินอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเขาก่อนคือเป็นการหลวมตัวแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยอันนี้ก็ทํางานตามปกตินะ ไม่ได้เหมือนไม่ได้เกิดมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ปล่อยวางได้เร็วเพราะเราไม่สามารถได้เงินนั้นคืนอยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเป็นสูญไปอะเราก็อยอมรับแต่สิ่งที่ได้มาคือการปล่อยวางแล้วก็อารมณ์ที่โกรธไม่คิดอาคาพยาบาทแล้วก็ได้เห็นน้ำใจต่างๆของคนรอบข้างของเราด้วยทำให้จิตใ จ, จเรามั่นคงขึ้นแต่ถ้าคนโดนแก๊เกเอเตอร์โกงนะมาคนเสียผู้เสียคนเลยเสียศู์มาคนฆ่าตัวตายก็มี สติแตกก็มีคือถูกสิ่งร้ายแล้วก็ล้ายหนักขึ้นไปอีกแต่ถ้าบางกรณีถ้าเรามีพลวัตทนสิ่งร้ายก็กล า, ายเป็นดีเป็นธรรมะสอนเราเหมือนกันอย่างอาตมา ก, ก็มีผู้สอนธรรมะเยอะแยะหมดเลยไม่ว่าเป็นผู้คนสัตว์ต้นไม้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยในวัดจะสอนธรรมะเอาตลอดให้เรายึดโนยึดนี่บางทีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเรายึดไม่ได้เลยทําแล้วต้องทิง้ง ไม่ให้ตัวตัวเราทำเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยสักวันก็มีคนแย่งหน้าที่เราหมดแหละเราต้องละล ะ, ละละละละปล่อยวางจนไม่มีตัวตวนที่สุดละถ้าเราอยากยึดดูยึดนี่ของเราเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยและเป็นอุปสรรคในการเห็นธรรมด้วยเพราะคนที่เห็นธรรมได้จะต้องอยู่เป็นเนี่ยต้องใช้ชีวิตที่แบบยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายึดดูยึดนี่อยากเป็นนู่นเป็นนี่ไม่มีทางเลยมีแต่กิเลส มีตัวตัวที่คนล้นทุกคนี้ยอมรับเราเป็นคนมีครามสามารถคนเก่งซึ่งกิเลสหลอกเราเนี่ยมีหลายคนเนี่ยที่ว่าอยากให้คนยอมรับต้องดินง้นรนไม่หยุดไม่ย่อนพอเราตายไปก็มีใครสนใจเราหรอกเราป่วยคนอื่นก็ทาแทนเราได้เมไม่เราไม่ใช่คนสำคัญอะไรแต่ ก, กิเลสหลอกให้เราเป็นคนสำคัญพอเรารู้ว่าเราไม่สำคัญเนี่ยเราพร้อมอยู่ธรรมดา คนที่มีสติฝาสุตัวเนี่ยมันจะเป็นคนธรรมดาที่สุดเลยไม่แบกุ่นแบกนี่ไม่ยึดดูยึดนี่เป็นคนธรรมดาถ้าเป็นภาค ก, ก็ไม่แบบไม่แบกพรรษาไล่พรรษาไล่ตัวตนเพราะพรรษานี่เป็นเรื่องสมมุติอายุเหมือนกันแหละหลอกเราให้เราให้เรายึดให้เราแบกการงานก็หลอกเราเหมือนกันให้เรายึดให้เราแบกเราก็อยู่กับสิ่งทจอมปอมตลอดจนกว่าเราจะเห็นความจริง เป็นเรื่องของความคิดไปเรื่องกิเลสเรื่องนี้ทํำยากนะบางคนกย็ยึดยึดจนตายแหละยึดตลอดชีวิตชอบสิ่งใดก็จะยึดอันนั่นแหละทั้งยึดทั้งแบกทั้งหามเพราะว่าแล้วก็เป็นธาตมันต่อชีวิตแหละเป็นธาตกกิเลสเป็นทาตความอยากเป็นธาตตัวตนความรู้สึกตัวมันช่วยได้ถ้าเราเห็นความอยากเห็นอารมณ์ต่างๆตาผ่านเป็นจริง ทุกสิุอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราได้เลยอย่างโลกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโรงแรมชั่วคราวที่เราาพักแล้วก็จากไปแล้วอยู่ถาวรไม่ได้หรอกอย่างว่าป่าสุโกโตเนี่ยอามาโก็มองไปโรงแรมพักชั่วคราวแหละเดี๋ยวเราก็ต้องไปที่อื่นละถึงอยู่ที่เราอยู่เพราะเรามีเหตุมีปัจจัยอยู่พอหมดเหตุหมดปจัจจัยเราก็หลงไปจะไปแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งไม่มีอะไรเรายึดได้เลย ต้นไม้ให้เราปลูกบางต้นมันก็รอดบางต้นก็ตายยึดไปได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเมื่อจะเป็นคนเป็นสิ่งของคนเก่าไปคนใหม่ก็มามีการเปลี่ยนแปลงตลอดสติพวามสุตัวคือสำคัญที่เป็นเพื่อนเราช่วยเราเนี่ยพัฒนาตนเองพอใจเราไม่พองนี่เราก็จะดิ้นรนน้อยลงแล้ว เรื่องความอยากได้นู่น อ, อยากได้นี่อยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรเงี้ยก็จะลดลงไม่ดิ้นรนไปตามกระแสะโลกก็ใช้ชีวิตง่ายอยู่ยังไงก็ได้ธรมะก็สอนเราตลอดถ้าคนที่เรียนนะล้วก็ทุกคนเป็นอาจารย์เราแหละคนที่เราไม่ชอบก็เป็นอาจารย์เราสอนธรรมะเราเราก็มาดูใจเราเราโกรธเขาไหมเกลียดเขาไห ม, เ, เ, ไมเพ่งโทษเขาไหม ถ้าเราเป็เราองรีบพิจารณาตัวเองด่วนเลยเพราะคนที่เน้นฝึกตัวเองเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เป็นไปนอารมณ์ที่ต้องละต้องเลิกคิดล้ายอะไรพวกนี้เป็นการฝึกตัวเองให้พัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองเป็นเลือกยากทํายากเหมือนกันต้องใช้การเวลาต้องฝึกใช้ความอดทนเหมือนกันสติตอนฝึกก็ยากส่วนมากก็ผู้คนก็ติดในรูปแบบพอออกจากรูปแบบแล้วก็ทิ้งเลยรูปแบบชีวิตประจําวันไม่จะประการเดินไปไหนมาไหน ทำงานต่างๆการเกี่ยวข้องกับผู้คนมันก็สอนเราตลอดเวลาให้เราเรียนรู้ถ้าเราเห็นความคิดได้เร็วอารมณ์ที่ระกระทบเนี่ยก็ทำลายเราไม่ได้เลยไม่จะเป็นความโกรธความเกลียดอิจฉาลิทยาสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยมันก็หลุดไปใจเราก็กลับมาปกติําให้จริงๆเป็นเรื่องเอาออกแล้วไม่ใช่เอาเข้านะเอา เอาสิ่งไม่ดีที่เราติดไว้ออกเขาค่อยกระเทาะไปค่อยออกไปแต่ทางโลกเอาเข้าทางโลกนี่เป็นการสร้างเรือนสร้างบ้านให้ใหญ่โตยิ่งขึ้นแต่ทางธรรมเนี่ยเป็นการเอาออกถ้าใครเอาออกมากเท่าไหร่คนนั้นก็เข้าใกล้ธรรมะมากเท่านั้นเราสะสมะอะไรามากมายเลยทั้งชีวิตในดิตชาติด้วยเป็นการเอาออกเอาทิสายที่ไม่ดีก็เราทิ้ง ที่เรายึดเราแบกไว้ทิ้งเขค่อยทิ้งค่อยไปละไปเลิกไปถ้าทำํำบ่อยๆคิเลศเราก็น้อยลงวิบากการต่างๆก็น้อยลงไปด้วยคือเราไม่เราจะเอาออกเราไม่เอาเพิ่มเพิ่มเข้าที่เราพูดมาก็เห็นว่าอาจจะมีประโยชน์คือผู้พูดเองก็ฝึกแบบนั้นแหละทุกวันเนี้แล้วก็นํา ม, มาเล่าให้ฟังผู้ฟังอาจจะถ้เกิดประโยชน์เห็นว่าพูดมาก็พอสมควรกับเวลาก็ขอ จบลงแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง